การบอกเคืนศนสิขาโดยใช้คำว่าจะมีอะไร14บทวงเล็บหนึ่งอีกประการหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้บอกให้ผู้อื่นรู้ว่าข้าพเจ้าจะมีอะไรกับพระพุทธเจ้าวงเล็บ14ภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าข้าพเจ้าจะมีอะไรกับเพื่อนโรมจารีภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการเปิดเผยความท้อแท้และเป็นการบอกคืนศนสขา